ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้การภาวนาจะไม่ยากแล้วเราจะเข้าใจคําสอนอย่างในพระไตรปิฎกในนี้เวลาอ่านจะเข้าใจง่ายหรือกระทั่งอภิธรรมว่าเรียนยากยากถ้าเข้าใจที่หลวงพ่อสอนหัดดูสภาวะเป็นนั้วจะทั่งเรียนอภิธรรมก็ไม่ยากเท่าไหร่ท่องจําชื่อแต่สภาวะเราเห็น หรือไปฟังครูบาอาจารย์องค์โน้อนองค์นี้ในคารวาตเดี๋ยวนี้คารวาตสอนธรรมะเยอะมากเลยคนโน้นสอนคนนี้สอนเราฟังปุ๊บเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่แต่ละท่านแต่ละท่านสอนมันถูกหรือไม่ถูกถ้าถูกนั้นถูกระดับไหนคําสอนบางอย่างมันก็ถูกนะอย่างเขาสอนเราบอกว่าอย่าไปทําชั่วนะอะไรเงี้ยถามว่าถูกไหมมันก็ถูกถูกระดับไหน ถูกระดับจริยธรรมหรือระดับในการพัฒนาจิตถ้าภาวนาก็ต้องพัฒนาจิตใจคําสอนในการพัฒนาจิตนั้นมันเป็นระดับไหนมันก็มีหลายระดับระดับของสมถะทําความสงบทําสมาธิหรือจะแตกออกไปเล่นอภิญญาไปเล่นเรื่องนิมิตออกนอกรู้นอกทางก็มีคําสอนมีระดับนี้ก็มี คำสอนที่ขคยยบขึ้นไปถึงการทำวิปัสนาแท้ๆก็มีเหมือนกันแต่ว่าน้อยเต็มทีเกือบทั้งหมดนะที่ฝึกกันนะมันเป็นสมถะโดยที่คิดว่าเป็นวิปัสนาอย่างไปดูรูปนามเห็นท้องพองเห็นท้องยุบนี่รู้รูปรู้รูปแล้วบอกเป็นวิปัสนา หรเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเห็นเท้าเคลื่อนแต่ละช็อตแต่ละช็อตบอเป็นวิปัสนาไม่เป็นหรอกการรู้รูปนามยังไม่ถึงขั้นวิปัสนาต้องเห็นใรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสนาเนี่ยถ้าเรารู้หลักการปฏิบัติได้แม่นยำนะเราไปฟังใครพูดเราก็เข้าใจเลยแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยคำสอนท่านอยู่ตรงจุดไหนของการปฏิบัติอย่างท้าสอนให้ทําใจให้ว่าง อ น, นี้เรื่องสมถะความคิดเกิดขึ้นให้ลบทิ้งไปเลยปัดทิ้งไปอย่าไปคิดมันรู้ตัวอยู่เฉยอันนี้สมถะให้ดูท้องพองยุบไปเรื่อยๆไม่ต้องมีอะไรแล้วโลกนี้เหลือแต่ท้องนี่สมรรถนะหรือท้องพองก็บริกรรมพองเนอท้องยุบก็ยบเนออันนี้สมรรถะยกหนอย่างหนอคําบริกรรมกํากับลงไปนี่สมรรถนะสมถานั้น มีหลักก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องอย่างไปรู้ลมหายใจอย่างต่อเนื่องก็เป็นสมถะไปรู้การขยับมืออย่างต่อเนื่องก็เป็นสมถะต้เห็นไตรลักษณ์นะถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าเป็นวิปัสสนาก็ต้องมีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์จะรู้ได้ด้ยมีจิตตั้งมั่นเป็นกลางมีเงื่อนไข ต้องรู้ด้วยจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องคือตั้งมั่นและเป็นกลางสมาธิที่ฝึกไปเพื่อความสงบไม่ได้เอาไว้เจริญวิปัสนาสมาธานั้นใช้อารมณ์อะไรก็ได้สมาธะใช้อารมณ์อะไรก็ได้วิปัสนานั้นใช้อารมณ์รูปนามแล้วดูไตรลักษณ์ของรูปนามสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้อะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ เรื่องราวที่คิดทั้งหลายเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้รู้ด้วยอะไรรู้ด้วยใจเป็นธรรมารมชนิดหนึ่งเรื่องราวที่คิดขึ้นมาไม่ใช่ของจริงเราคิดขึ้นมาเองอย่างเราคิดว่าเราเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรย่า ง, งี้ไม่ได้เป็นความคิดเับ่ความจริงมันไม่เหมือนกันเรื่องราวที่คิดเรียกว่อาอารมณ์บัญญัตอารมณ์บัญญัตคือบัญญัตขึ้นเองคิดขึ้นเองแต่งขึ้นเอ ง, ง, เองกาหนดขึ้นเอง อารมณ์บัญญัตินี่ใช้ทำสมถะได้อย่างเดียวอารมณ์อย่างที่สองเรียกว่าอารมณ์รูปนามรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ยใช้ทําสมถะก็ได้ใช้ทําวิปัสสนาก็ได้ถ้าจิตเป็นนิ่งอยู่ในรูปจิตเป็นนิ่งอยู่ในนามเป็นสมถะถ้าจิตเห็นใจรักของรูปของนามเป็นวิปัสสนาอารมณ์ชนิดที่สนะคือนิพพาน อ, อารมณ์นิพพาน นิพพานไม่ใช่เรื่องบัญญัติไม่ใช่เรื่องที่ชิดขึ้นนิพพานไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่นาำมาทำนะไม่ใช่รูปนาำเป็นสภาวะที่พ้นจากรูปนามไปอันนี้ใช้ทําอะไรได้ใช้ทําสมถะได้เมื่อสมถะเนี่ยไม่เลือกอารมณ์เลยใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้ใช้อารมณ์รูปนามก็ได้ใช้อารมณ์นิพพานก็ได้แต่วิปัสสนานั้นเลือกอารมณ์ต้องรู้รูปรู้นามแต่ไม่ใช่รู้อยู่เฉยๆต้องมีปัญญาเห็นความจริงของรูปนามด้วย ถึงจะเป็นวิปัสนาไปทําวิปัสนาโดยการรู้บัญญัติได้ไหมไม่ได้อารมณ์บัญญัติไม่มีสภาวะอะไรที่จริงแท้รองรับฝันฝันขึ้นมาเองเหมือนภาพดวงตาเหมือนความฝันไม่ได้แสดงไตรลักษณ์อะไรที่ชัดเจนเอานิพพานมาทำวิปัสนาได้ไหมไม่ได้เอานิพพานมาทำวิปัสนาไม่ได้คนที่เห็นนิพพานนะั้นไม่ได้ทําวิปัสนายังทําสมถะอยังทำวิปัสนาอยู่นะ เห็นนิพพานไม่ได้อะแต่สําหรับพระยระบุคคลท่านเห็นนิพพานมาแล้วตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนะใช้นิพพานมาทําสมถะไดนะ้แต่ไม่เอานิพพานไปทําวิปัสสนาเพราะนิพพานเป็นเที่ยงนิพพานเป็นของเที่ยงนิพพานเป็นสุขจะดูให้เห็นไม่เที่ยงเหรอดูไม่ได้จะดูให้เห็นเป็นทุกข์ก็ดูไม่ได้นิพพานมีลักษณะอันเดียวคืออนัตตาไม่มีเจ้าของงั้นถ้าถามว่านิพพาน มีอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมก็ต้องบอกว่าไม่มีอนิจจังทุกขังแต่มีอนัตตามีอนัตตลักษณะอย่างเดียวนะมีเอกลักษณ์ไม่ใช่ตรีไตรลักษณ์ไตรกส็สมีลักษณะเดียวเงั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะเราก็รู้ไตรลักษณ์ของรูปนามวิธีรู้ไตรลักษณ์ของรูปนามก็ต้องถูกูวิธีด้วยไปจ้องอยู่ที่รูปจ้องอยู่ที่นามเป็นสมถะนะจะไม่เห็นไตรลักษณ์ จะเห็นใจ ร, รักได้จิตต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นกลางนะอย่างเวลาเรารู้ร่างกายที่หายใจนะถ้าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ร่างกายเป็นสมถ ะ, ะนะจิตไม่ได้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแต่ถ้าจิตมันตั้งมั่นอยู่จะเห็นว่าร่างกายกับจิตนั้นแยกออกจากกันแล้วร่างกายนะั้นไม่ใช่ตัวเรานะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์ ในนี้ถจะเป็นวิปัสนาเห็นใจลักยังต้องระมัดระวังนะถ้าเรียนที่หลวงพ่อสอนเข้าใจแล้วแต่ไปฟังอะไรก็เข้าใจง่ายยังก่อนจะทำวิปะนะัสนาจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูได้รูปนามแยกออกจากกันนะแล้วก็ดูรูปไปเวลาดูรูปดูลงปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะคือขณะนี้นี่ขณะนี้มือกำลังเคลื่อนไหวนะ แต่ว่าถ้าใจรู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสมถะถ้าใจรู้สึกถึงความอะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้าจะมีชื่อชื่อว่ารูปเท่านั้นเองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีรูปบางอย่างปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปรูปนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกลายเป็นรูปนี้อะไรเงี้ยเวลาดูรูปดูลงปัจจุบันขณะคือขณะนีนะ้ถ้าดูนาม เช่นเห็นจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะเนี่ยดูในขณะปัจจุบันไม่ได้ต้องดูสืบเนื่องกับปัจจุบันเรียกว่าปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันต่อเนื่องกับปัจจุบันทําไมดูลงปัจจุบันไม่ได้เพราะธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งเละอย่างเดียวอย่างเวลาเรากโกรธเนี่ยอารมณ์ของจิตตอนที่โกรธคืออะไรตอบได้ไหมอารมณ์ของจิตขณะที่โกรธคืออะไร ความกโกรธนะไม่ใช่ไอ้คนที่ทําให้เราโกรธนะางหาวัตถุแห่งความโกรธนะเป็นอารมณ์ของเราเห็นหน้ายายคนนี้เกลียดมันในขณะนั้นเห็นอะไรเห็นยายคนนี้ ใ, นใจเกิดความเกลียดไม่เห็นนะแล้ต้องอีกขณะหนึ่งเกิดขึ้นอีกจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นจิตดวงนี้ไม่ได้ใช้ยายคนนี้เป็นอารมณ์อีกต่อไปแล้วจิตดวงนี้ใช้จิตดวงก่อนจิตดวงที่เกลียดเนี่ยเป็นอารมณ์มันเห็นว่าจิตเมื่อกี้นี่เกลียด ตอนนี้ไม่เกลียดละเมกี้นี้เกลียดตอนนี้ไม่เกลียดละเพราะฉนั้นะเวลาดูจิตนะจะดูเป็นปัจจุบันสัน ต, ติสืบ เ, เนื่องกับปัจจุบันถ้าดูกายเป็นปัจจุบันขณะเนี่ยถ้ารู้หลักของการปฏิบัตินะก็ไม่ยากอะไรหรอกทําอะไรมันก็เป็นวิปัสสนาได้ทําอะไรก็เป็นสมถะได้นะชั่มนี้ชํานาญขึ้นมาคล้ายๆที่หลวงพ่อสอนนี่คล้ายๆวิชาลินจาะนะคืออะไรๆก็เป็นอาวุธได้หมดเลยนะ หกล้มไปเอาใช้ทายเป็นอาวุธอย่างนีนะ้ใช้ก้อนหินเป็นอาวุธศนะัตรูบุกเข้ามาเรากำลังกลิ้งอยู่เจอกองขี้หมาใช้ขี้หมาเป็นอาวุธ เ, ออเป็นไหมมันกลัวเหมือนกันนะสมุไราบางคนมันไม่กลัวมีดนะมันกลัวขี้หมาเออนี่ยทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดเลยถ้าเข้าใจสิ่งที่เรางอสอนนะกรรมาฐานอะไรก็มูวยหมดเลยใจนี่จ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดนะเดินปัญญาอยู่ ตอนนี้พอสมควรละควรจะพักนะจิตจะพลิกเข้าสมถะเลยโดยธรรมชาตินั้นจิตจะพลิกไปพลิกมาตลอดในขณะที่เดินวิปัสสนาเนี่ยจะไม่เดินวิปัสสนาตลอดนะจิตจะพลิกกลับมาทำสมถะเป็นช่วงๆไปนะถ้าเราไม่รู้ว่าขณะนี้จิตตกจากวิปัสสนาไปแล้วนะถ้าเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นขนาดนั้นนะเราจะสำคัญมั่นหมายว่าบรรลุแล้วนะจิตพลาดไปแล้วนะั้น เนี่ยค่อยเรียนนะค่อยเรียนค่อยฟังไปวิธีที่จะเรียนหลวงพ่อให้รู้เรื่องคือฟังบ่อยๆนะค่าไฟฟ้าไม่มากเท่าไหร่หรอนะค่าเที่ยวเล่นมากกว่านะเปิดซีดีไว้ซีดีหลวงพ่อเด่นี้นะเปิดได้ทั้งคืนนะเปิดไ้ยตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงนะได้ยินนะได้ยินได้ฟังบ่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจนี่แรเข้าหูฟังบ่อยๆก็เข้าใจ เข้าใจแล้วคราวนี้การภาวนาง่ายก็ต้องฝึกนะทุกอย่างของฟรีไม่มีหรอกต้องลงทุนลงแรงนะหลวงพ่อเนีฝึกจิตเป็นผู้รู้แต่แต่เป็นโยมนะงั้นพวกเราเรียนนะให้มันได้ตัวรู้ขึ้นมาใหมันได้ตัวรู้แล้วดูรูปดูนามมันทํางานไปอย่าไปบังคับอย่าไปแทรกแซงไม่หลงลืมมันถ้าหลงลืมมันหย่อนไป ถ้าแทกแซงมันเนี่ยตึงไปถ้ารู้มันอย่างที่มันเป็นเนี่ยทางสายกลางก็ฝนะึกอย่างนี้นะไม่ยากหรอกเวันเจ็ดเดือนเจ็ปีควรจะได้อะไรบ้างเอาต่อไปส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อ น, ม, นมีโมหะไหมมีค่ะเออทําไมมีล่ะง่วงนอนเพิ่งกินข้าวนะกินข้าวแล้วเลือดมันไปเลี้ยงกระเพาะนั้นะเลือมันมีขึ้นหัวในซึมไป อย่างนี้ไม่เป็นไรไมันเป็นเรื่องทางร่างกายนะถ้าถ้าจิตมีโมหะตัวจริงนะจิตใจไม่กรพี่กระเปล่าซึมไปหรือไม่ก็ฟุ้งไปเลยนะหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างมันมีเหตุของมันนะคะอของหนูมีจุรรย์อย่างนะหนูเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะกระทั่งในการภาวนาจะหาเหตุหาผลได้อย่าไปเชื่อเหตุผลนะ ให้ดูสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปดูแค่นั้นแหละนะนะไม่ต้องไปใช้เหตุผลกับมันรู้อย่างที่มันเป็นไม่ต้องไปใช้เหตุผลกับมันถ้าใช้เหตุผลกับมันเราจะตกไปสู่ความชิดทันทีเลยโมเมเช้ามันฟุงตอนนอนนี่มันฟุง้งรุนแรงมาก <c oughs> แต่ว่า <c oughs> มันก็มันก็เบาลงเบาลงเมืม่อวานนั่งนั่งทำนั่งคืนตอนนอนหัวมันฟุง้ง นั่งทำอะไรล่ะคือเมื่อคืนก็เดยังก้มนั่งสมาธิอยู่อยู่ในนี้ทีแรกก็ก็รู้อยู่ว่ามันมันนิ่งนิ่งแต่ว่าคือผม ก, ก็ก็ทำไปเรื่อยๆทีนี้พอพอไป น, นอนโอ้โหอันนี้มันจิตมันเหมือนกับมันอั้นไว้แล้วมั น, ออนแสดงว่าตอนที่มาปฏิบัติเนี่ยไปบังคับมัน แสดงว่าตอนที่ทำไปบังคับตัวเองอยู่พ อ, อ, นะอหมดแรงบังคับมันก็ดีดเลยมันมีอีกแบบหนึ่งนะกลับข้างกันตอนที่ภาวนาอยู่เนี่ยสติบริบูรณ์เลยพอไปนอนเลยไม่หลับเลยอย่างนี้ก็มีนะรหรือตอนตื่นเนี่ยบังคับไม่มากเลยขมไม่มากพอลงไปนอนเลยฟุ้งแหลกเลยไม่หลับ อ, อ, อีกอย่างนี้ก็มีหรือถ้าหลับก็ฝันเละเลย ฝันเละเลยับนเละเลนะแต่ว่ามันก็มันมันพอมันฟุ้งแรงนิดเดียวมันก็ตื่นฟุ้งแรงนิดเดียวมันก็ตื่นแสดงว่าทั้งฟุ้งไปด้วยมีสติไปด้วยสลับกันก็อย่างดีขอกันบ้านครับหลวงพ่อเลยเอาเลยเหรอก็ไปทำเอาสิจะดูจิตให้มันชัดขึ้นยังไงครับอย่าอยากสิให้รู้ทันความรู้สึกไว้รู้บ่อยๆแล้มันก็ชัดเอง มันก็ยังเบลอเบลอรู้ว่าเบลอไปตกใจว่าเบลอไม่เราดูอะไรไม่เห็นถ้าเบลอรู้ว่าเบลอแสดงว่าดูเป็ดแล้วก็ขนาดนั้นเบลอนั่นแหละเบลอเราคือสภาวะเบลอตลอดเลยเออก็แสดงว่ามีสภาวะเบลอเกิดขึ้นเนืองๆก็แค่นั้นเองเห็นจะต้องตกใจเลยเบลอไม่ใช่เรามันรู้ตื่นแต่มันไม่เบิกบานมันแข็ง ใจเราไม่มีความสุขอันนี้แก้ยากแก้ไม่ได้ะอะไรนะมันปฏิเสธสภาวะประสิเสธใช่ไหมเศษใจเราไม่พอใจในภาวะที่เราเป็นอยู่นะนั้นจับแต่ยังอยู่ในภาวะอย่างนี้แล้วยังหวางใจไม่ได้ก็ยังเป็นอย่างเนี้ถ้ามันไม่ได้เนาะรู้ไปเล ย, เลยรู้ตรงที่ใจไม่ชอ บ, ชอบใจปฏิเสธสิ่งที่กําลังมีอยู่ดูออกไหม ยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าเราไม่อยากาสึกเนี่ยเราต้องสึกรเราปฏิเสธเพศของครวาเนี่ยเลไม่อยากไปทำงานต่อสู้แบบนี้ก็ต้องทำ ใ, ใจมันปฏิเสธให้รู้ทันไปใจที่ไม่ชอบนละยัมสการ์ค่ะหลวงพ่อ ก่อนอืนก็ถวายบุญกุศลที่ภาวนาแด่หลวงพ่อและพระพุทธเจ้าค่ะต้องพระพุทธเจ้าและหลวงพ่อนะต้องให้ครูก่อนมโหตนานะสาธุก็คําสอนของหลวงพ่อชัดเจนค่ะก็เหลือแต่ไปภาวนาให้มากขึ้นค่ะหลวงพ่อเออตอนนี้ตื่นเต้นนะเห็น <มา S 1> ว่าเดี๋ยวนี้เกษต่กนไม่เหมือนกันเห็นค่ะหลวงพ่อ สังเกตไหมโลกมันห่างออกไปสังเกตค่ะแต่ว่าบางทีก็รวมค่ะธรรมดานะทีก็เข้าไปรวมบางทีก็แยกออกสมัยพระวนาไม่เป็นมันรวมตลอดนี่มันเริ่มแยกออกจากโลกพอเราแยกห่างออกมาเราก็เริ่มเห็นโลกตามความเป็นจริงเวลาเราคลุกอยู่กับโลกก็เรียกคลุกวงในอยู่เราก็ไม่เห็นของจริงพอใจมันแยกออกมาก็เห็นโลกอย่างที่โลกเป็น ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่โรคจืดจืดแต่เราไม่ประคองใจให้แยกนะให้เขาแยกเองแล้เขาไปรวมมาให้รู้แค่นั้นแหละหลวงพ่อครับบางที่ปฏิเสธโลกด้วยค่ะอืมปฏิเสธโลกก็ไม่ถูกนักปฏิบัติไม่ปฏิเสธโลกหรอกนักปฏิบัติรู้โลกอย่างที่โลกเป็นไม่ได้ปฏิเสธหลงโลกก็คือไปติดข้างหนึ่งนะปฏิเสธก็ไปติดอีกข้างหนึ่ง นี่ติดโลกทั้งคู่เลยให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางไว้ค่นะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะได้มาอยู่แถวๆนี้ค่ะตั้งแต่วันที่สามสิบอะค่ะล้วก็เลยคิดว่าช่วงนี้แบบต้องเร่งพยายามยอะไรเงี้ยนะก็เลยกลายเป็นแป๊กแบบแน่นอ น, เ, นเคยได้ยินไหมว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลว อ, อยู่ที่นั่นค่ะความพยายามมาไปใช้ทางโลกก็ดีค่ะ ในทางธรรมเนี่ยคำว่าวิริยะเนี่ยไม่ใช่แปลว่าขยันโมโซนะ <view> วิริยะเนี่ยหมายถึงว่าเพียนปิดกั้นอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดที่เกิดแล้วให้ละไปเพียนทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดกุศลที่เกิดแล้วทําให้เจริญขึ้นไปอย่างนี้ถึงเรียกว่ามีความเพียนแต่ที่เราเดินมากๆนั่งมากๆเราบอกทําความเพียนเราไม่ได้ปิดกั้นอกุศลเลยเราโลภอยู่ เพราะฉนั้นขณะที่โลภอยู่แล้วเดินจงกรมอยู่นะไม่เรียกว่าทําความเพียรนะเพราะฉะนั้นการทําความเพียรเนี่ยอยู่ที่ว่าได้สู้กับกิเลสไหมถ้าถ้าตามใจกิเลสนะทั้งทที่นั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนนะไม่ถือว่าทําความเพียรเลยอันนั้นกําลังทําตามที่กิเลสสั่งถ้าจับหลักตรงนี้ได้คําว่าทำความเพียรเนี่ยก็คือเพียรปิดก้านอากุศลไม่ให้เกิดอกุศลที่เกิดแล้วเพียรละไป ทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดกุศลที่เกิดแล้วทําให้เจริญไปทําอย่างนี้นะไปรู้ทันไปรู้ทันกิเลสเอาค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อขอถวายการปฏิบัติบูชาแต่พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชา อ, อ, อจริยบูชาและพ่อแม่ค่ะโอ้ต้องอย่างนั้นสิมีพ่อแม่ด้วยคือช่วงนี้จิตมันไม่เดินปัญญาหนูใช้การรู้สึกตัวได้ไหมคะรู้สึกตัวแล้วก็คิดพิจารณาเอา เรารู้สึกตัวแล้วจะมารู้สึกตัวอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวเคยชินที่จะรู้สึกเฉยเฉยให้ใช้การคิดพิจารณาของหนูพิจารณาร่างกายไปก็ได้เราเป็นคนรักสวยรักงามนะดูร่างกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายโดยงี้ช่วยมันคิดจิตจะได้ไม่ติดเฉยขอบคุณครับขอบคุณัศการครับผ ม, มส่งกันบ้านในรอบเก้าเดือนครับ ครั้งที่แล้วหลเพ่อบอกให้ไปเดินบัญญาติแต่นี้มันมีอยู่ัอาทิตย์กว่าจิตมันรวมลงไปแล้วแล้วมันจิตมันมันกลัวตายครับมันก็พยายามจะพูดตอบใจตัวเองว่าขันห้าไม่ใช่เราแล้วเสร็จแล้วมันมันไปเห็นทุกข์อยู่ตัวหนึ่งมันทุกข์มากเลยครับแล้วก็แล้วจิตมันก็เหมือนกับบอกว่าเอ้ยมัน แล้วมันจะผ่านไปได้ยังไงแล้วก็บอกเออมันไปยึดอยู่ได้ยังไงไอ้ทุกตัวนี้เสร็จ แ, แล้วก็เหมือนกับว่ามันก็มีเหมือนเสียงหลวงพ่อบอกว่าให้ดูด้วยความเห็นกลาง ม, มันก็ค่อยๆก็ยยขยับออกมาแล้วก็ก็แต่ว่าตอนนี้จิตมันยังกลัวทุกตัวนั้นอยู่เลยค่ะคือเราคล้ายๆเราไปเจอนักมวยรุ่นใหญ่กว่าเราเร็วไปครับถ้าเราไปเห็นทุกตอนจะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยจะสู้กันได้ ตอนนี้ยังแพ้ก่อนไม่เป็นไรหรอกมันมันรู้สึกว่ามันมันท้อแท้เหมือนกันไปเห็นทุกตัวนี้แล้วมันมันเห็นเร็วไปหน่อยครับแต่วันหนึ่งก็ต้องเห็นนะครับวันนึงขันนั่นแหละตัวทุกแล้วตัวที่ทุกที่สุดของขันทั้งหลายก็จิตนั่นแหละครับโอไม่มีอะไรทุกเหมือนมันทุกมากไม่เคยเห็นทุกอะไรอย่างนี้มาในชีวิตแล้ครับเออนั่นแหละไม่เห็นเร็วไปหน่อยครับคล้ายๆเราเพิ่งหัดชกมวยนั่นก็ไปเจอแชมป์โลกเขแล้ว ดูไปนะตอนนี้อย่าเพิ่งไปดูว่าจะละทุกยังไงพ้นทุกยังไงยังไม่ใช่เวลาที่จะพ้นทุกขณะนี้ให้เรียนรู้ความจริงก่อนว่าขันนี้ไม่ใช่ตัวเราครับนะมันทุกก็จริงนะแต่มันไม่ใช่เราหรอกให้ดูมุมนี้ไปเรื่อยๆครับเรียกว่าชกให้ถูกคู่ชกพอดีพอดีกับเราครับครับสุขาหลวงพ่อครับความโลภลดลงไปเยอะแล้วะมันตะลุมบอลเยอะเลยฮะ <S <S รู้สึกภาวนาก็ก็ปี้กระเป๋าขึ้นครับโยม่าจะต้องปรับปรุงตัวยังไงบ้างครับก็รู้อยู่ทุกอย่างแล้วนะเป็นด้วงติดเด็กก็ต้องทำอะไรบ้างมีอะไรที่เป็นจุดอ่อนไหมครับดูบ่อยๆครับอย่าไปลงโลกก็แล้วกันครับกร่าบนามัสการหลวงพ่อครับปกติแล้วเนี่ยผมจะชอบดูกายแต่ที่นี่หลังๆนี่มันจะชอบดูจิตไงโยมก็ ก็มาพิจารณาเลยเอ๊ะทำไมมันชอบชอบจิตมาตั้งปุ๊บแล้วแลดูความโลภความโกรธความหลงที่อยู่ในจิตนะดูสภาวะจิตที่มันตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นเนี่ยร้างหลังมันจะชอบดูตรงนี้ก็เลยมาดูว่าทําไมมันชอบก็พอพอกลับไปดูกายเหมือนเดิมไปดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันรู้สึกดูทําไมมันเหมือนกับเหมือนกับดูต้นไม้ใบหญ้ามันจะเป็นความรู้สึกอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่า ปัญญามันลกล้าขึ้ น, นอ่ะครับปัญญามันแรงขึ้นนะมันไม่อยากดูกายมันจืดครับอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กอ่พอดูกายนแป๊บเดียวเราเบิดไปหมดแล้วแล้วจืดตั้งแต่นั้นนะไม่อยากดูครับใจก็ไ่นิ่งเฉยไม่ดีเลยจนเจอหลวงปู่ดูล่านให้ดูจิตครับเมื่อเราดูจิตได้แล้วดูจิตไปครับหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลนะบอกหลวงปู่ครับ ผมไปที่ไหนที่ไหนก็ได้ยินครูบาอาจารย์องค์โน้นองค์นี้นักสอนคนอื่นนะให้ดู ก, กายผมต้องไปดูกายอีกไหมหลวงปู่ท่านมองแบบสลดสังเวชมองมท่านนั่งก็อีโยกพอท่านได้ยินท่านท่านาหารมามองมองแบบสังเวช ท, ท่านบอกว่าที่เขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตนะเพื่อจะได้เห็นธรรมถ้าเห็นจิตแล้วว่าเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งนะว่างนี้ แต่ว่ากลายเป็นของทิ้งนะเนี่ยจิตที่มันเข้ามาจนมันเห็นจิตช่ําชองแล้วมันไม่อยากดูกายหรอกรและอย่างโดยนี้ใส่เนี่ยเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะไม่ใช่พวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามหรอกเพราะฉะั้นโดยพื้นเดิมเนี่ยก็ต้องดูจิตยอยู่แล้วละมันเข้ามาดูจีก็ถูกแล้วครับนมาสการ์ครับหลวงพ่อคือช่วงนี้มันสติมันไม่ค่อยเกิดอะครับอือ ไม่เกิดก็ช่วยมันหน่อยพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆให้ใจมันมีกําลังขึ้นมาใจมันไม่มีแรงใจมันอ่อนไปแล้วปลุกความรู้สึกให้มันเข้มขึ้นนิดหนึง่งเราความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันเข้มแข็งขึ้นเลยนะไม่งัษณษณ้นสติไม่เกิดหรอกใจมันละท้อละทุยไปใจมันเบาไปนะหายใจไปอะไรไปก็ได้บริกรรมไปก็ได้นะ ไม่เกิดรู้ช่างมันทําสมถะไว้ก่อนพุทโธพุทโธพุทโธไปหายใจไปแล้วเสร็จแล้วพอมันมีแรงขึ้นมามก็ค่อยกลับมาดูต่อมันหมดแรงกราบนมาสุการหลวงพ่อครับอืก็ขอคําแนะนําในการปฏิบัติครับก็ดูแต่ขันมันแยกได้ครับก็ดูแต่ละขันมันไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา กิเลสก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจมันก็ทํางานของมันได้เองไม่ใช่ตัวเราดูว่ามันไม่ใช่เราบ่อยๆนะถ้ามันไม่ดูก็ช่วยเป็นคิดนิดหน่อยครับกลนะับน้มัศการหลวงพ่อครับพอดีจะไปบวชนะครับแล้วคงไม่ได้มาฟังหลวงพ่อสักพักหนึ่งก็เลยขอคําแนะนำนะครับบวชตลอดหรือหรือบวชช่วคราวชั่วคราวครับเออดีแล้วอย่าบวชตลอดนะอยังมีภาระก็ต้องทํา ไปบวชก็จะไปหวังว่าจะดีไปบวชใหม่ใหม่ก็ต้องปรับตัวมากเลยเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ใหม่พระที่อยู่ด้วยกันเขาก็มีกิเลสเหมือนกันแค่เปลี่ยนเครื่องแบบเท่านั้นองอยู่อยู่อย่างคาวะนี่เปลี่ยนเครื่องแบบมาเป็นพระปุ้มกิเลสไม่กลัวหรอกงั้นเราอย่าไปดูคนอื่นนะให้ดูกิเลสของเราเองแล้วเราจะมีความสุขรักษาพระวินยัยรักษาข้อวัดไหม รู้ทันกิเลสของตัวเองไปเรื่อยๆเท่า น, นี้ก็สบายแล้วไปฝึกอย่างนี้ได้ก็ดีแล้วล่ะอย่าดูของคนอื่นนะให้ดูของเราครับกรรมธรรสการ์นี่หลวงพ่อเราได้การบ้านไปให้อยู่กับปัจจุบันยเยอะๆครับก็วันนี้ <laughs> ใมคล้ายวันเกิด <laughs> ก็พาบุปการีมาด้วยคุณแม่เพื่อมาฟังทำหลวงพ่อเออดี <laughs> ก็จะมาส่ง การบ้านก็คือก็ตอนเออมีช่วงเวลาช่วงหนึ่งคือช่วงที่ย้ายจากเป็นช่างเป็นฝ่ายขายแล้วมันมีเรื่องของตัวเลขเข้ามาทําให้จิตใจนมันวนเข้าไปคิดอื <c oughs> พอเราเราก็จิตก็เข้าไปรู้รู้ทั้งวันเลยเพราะว่าตอนนั้นยอดยังไม่มีมันจำอากาศว่าผ่านไปรู้รู้ไปรู้ทั้งวันรู้จนรู้จนเครียดนะครับอื <c oughs> แล้วก็ทําอะไรก็ไม่ได้ ก็นั่งรู้รู้ก็รู้อย่างเดียวเลยกลายเป็นว่ามันเข้าไปเกาะเลยอครับประมาณนี้ครับผมก็อว่าในนี้ต้องมันถือว่าสอบตกไหมครับมันไปเกาะเรารู้ว่าเกาะก็ใช้ได้นะมันไม่จาเป็นต้องหลุดออกมาหรอกนั้นมันเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันเกาะก็เกาะของมันเองมันปล่อยมันก็ปล่อยก็ได้เองมันไม่ใช่เราหรอกมันทางานของมันเอง ดูอย่างนี้เรื่อยๆไปแต่ทำงานบริษัทเรื่องตัวเลขก็อย่าให้มันผิดนะอย่าสักแต่ว่ารู้ว่าเห็นนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่ยอมคิดเลย <c oughs> สักแต่รู้ว่าเห็น <c oughs> ถึงเวลาคิดก็ต้องคิดนะไม่ใช่จะไม่ยอมคิดจะรู้อย่างเดียวไม่ได้นะคนละหน้าที่กันเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเรารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเวลาทางานต้องคิดเรื่องงานจะมาสักว่ารู้ว่าเห็นเฉยๆไม่ได้ แยกให้ออกนะงั้นเดี๋ยวมั่วแล้วก็ลำบากเลยคิดเงินเขาผิดอนะไรเงี้ยใช้ได้แล้วนะที่ฝึกนะขันมันกระจายออกไปก็เห็นแต่ละขันทำงานไปนะกล่อมหลวงพ่อครับ ม, มีคำถามก็คือตอนไปเวลาไปนอนค้างที่อื่นที่ต่างจังหวัด น, นะครับก่อนนอนก็จะ เดินจงกรมสวดมนต์นะครับแล้วทีนี้รู้สึกว่ามีคนมาสวดด้วยวนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเราไปทําความที่ไม่พอใจให้ออให้คนอื่นแล้วเขาก็มาเล่นงานเราเออไม่ทราบว่าควรจะทํำไงต่อไปครับถ้าเกิดเป็นนอนต่างจงังหวัดเวลาจะไปนอนที่ไหนก็ตามนะก็ไหว้พระสวดมนต์แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปเรื่อยๆนะเวลาเราจะไหว้พระสวดมนต์เราก็ชวนหน่อยก็ได้นะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ใครมีศรัทธาอยากสวดมนต์ด้วยกันก็นิมนต์มาเชิญครับมีคนหนึ่งนะเรื่องมาเจอหลวงพ่อที่สาราลงชินนะเพราะว่าเขาเอาธรรมะเอาซีดีหลวงพ่อเนี่ยไปให้แม่ฟังพ่อแม่นะและ้วทุกวันนี้พ่อแม่ภาวนาแล้วก็ขยันธรรมะสวดมนต์ทุกวันตอนเช้าที่ธรรมะเช้าเนี่ยพวกเทวดาจะมาอนุโมทนาไม่เห็นคุกกลัวเลยเห็นหมเออ เขาอยากมาสวดกับเราเราก็เอาสินะเชิญเลยเชิญมาสวดเราสวดมนต์เสร็จแล้วบอกเราจะนั่งสมาธิเดินจงกรมนะเดี๋ยวได้บุญได้กุศลแล้วก็ให้อนุโมทนาเอาเราจะนอนที่ไหนก็นอนพุทโธไปนะถ้าเกิดเขาเคืองเราอนะฮะ เ, เขาเคืองเราเราก็จเจริญเมตตาไปบริกรรมไปเรื่อยๆนะเมตตาคุณากระหังเมตตาจําได้ไหม ประโยคนี้ดีนะไปฟังทีเดียวก็จําได้แล้วขอบคุณครับบริกรรมไปได้ๆเดี๋ยวเขาก็สบายใจยกเว้นนะมีข้อยกเว้นเหมือนกันนะหูตั้งเลยผมบอกยกเว้น <c oughs> ไปเจอไอ้ผีมิจฉาทิ่เที่มันไม่ชอบอ่ะมันไม่ชอบเราก็เชิญเทวดามาช่วยคุ้มครองเรานะ หลวงพ่อค่ะก็มาอยู่วัดก็เดินส่วนใหญ่หนูไม่ค่อยได้นั่งสมาธิเพราะว่านั่งแล้วมันจะหลับอย่างเดีเยวเดินก็ได้ก็เลยเดินจงกรมแล้วก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆค่ะหนูกลัวผีไหมก็นิดหน่อยกลัวทุกแกไหมไม่กลัวเก่งจังเลยงูหัอ ง, ง, งูกลัวไหมไม่กลัวแต่กลัวพวกสัตว์ปีกงอกว่าสัตว์ปีกอะไะพวกนกไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว ทำไม่กลัวพงงูอะไรนานๆก็เจอทีหนึ่งคนกลัวนงมีนะเคยเห็นเนี่ยที่เนี่ยไก่เยอะด้วยสิแต่หลวงพ่อไม่ได้เลี้ยงนะมันเป็นไก่ป่าเจอไก่ก็แบบตกใจก็รู้ว่าตกใจแปลกนะกลัวไก่บางคนถ้าเดินจงกรมเห็นไก่น้ำลายไหลอ่ะห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ละคนก็กลัวแปลกแปลก กลัวเราก็ดูเอานะไปภาวนาอีกนะเราหนูควรใช้อะไรเป็นบอกดูผุดโทรหรือว่ายุบหน่อกูก็เดินไปก็รู้สึกไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไปเรื่อยนะร่างกายมีความสุขร่างกายมีความทุกร่างกายเมื่อยเลยนะี่คอยรู้ไปเรื่อยรู้กายนี่แหลนะเราถนัดกายเราก็ดูกาย <Okay. S 2> แล้วเวลาไก่มากลัวก็รู้ว่ากลัวอย่างนี้นะ <laughs> ส่วนมากก็เดินกลางคืนนะหิวแล้วเย็นไม่ได้กินข้าวเห็นใจ <laughs> ไม่ได้ตัวมันได้ไข่ก็ยังดีเลยนะที่นี่ที่วัดนี่ที่น่ากลัวจริงๆเพราะมีแต่งูมีงูร้ายๆอยู่หลายอย่างมีงูเห่า ง, งูจงอางงูสามเหลี่ยมพวกนี้กัดตายเท่านั้น แต่คนที้กลัวนะมันเจองูเขียวมันก็ว่างูเห่านะ <laughs> เจองูอะไรเรียกงูเห่าหมดทุกตัวเลยเดี๋ยวก็น้าตาตื่นมาบอกแล้วเจองูเหา่านะถามเป็นยังไงงูเหา่าคอสีส้มๆนะตัวเขียวๆอะไรองูเห่าประเทศไหน <laughs> คนมันตื่นมันกลัวไปทํานะทําต่อดีแล้วกนะารครับอืมก็ <laughs> ขอขมาพระอาจารย์ป harmaot ฮ ะ, ะ, ะก็กูบาอาจารย์ทุกท่านที่ที่ได้สอนมาครับผ่านมารู้สึกว่าตัวเองยิ่งดื้อขึ้นทุกวันนะครับดื้อไม่เป็นไรหรอกมันพอนานตีขึ้นก็ใช้ได้แล้วครับไอ้ดื้อเน่มันเป็นธรรมชาติของเราแต่ละคนมีความดื้อไม่เท่ากันอยู่ก็จะขอรายงานว่า แล้วเงินตัวว่ากลับมา <c oughs> กลับมาอยู่ในทางภาวนาครับกลับมาแล้วมันก็ดีขึ้นนะครับเวลาเราเดินภาวนาผิดไปอะไพลาดไปหรือพอกลับมาได้แต่ละคราวมันมีประสบการณ์จิตมันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับรู้สึกเปล่ารู้สึกครับนะอันนี้มันเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแต่ก่อนนะลแต่ตอนนี้เห็นจิตที่มันมันไปเสียใจ ผลของการภาวนาในอดีตนะครับอืแล้วก็มันจบไปแล้วล่ะแต่มันกลายเป็นบทเรียนครับไปภาวนาต่อภาวนาดีแล้วจะไปคิดถึงอดีตพอดีเสื่อมหมดเลยก็พอเดินจงกรมไปก็เห็นเห็นจิตมันแยกออกเป็นอเป็นแต่ละดวงแต่ละดวงอยงี้แล้วก็ไปเห็นว่าจิตจิตบางดวงที่มัน มันมีนิสัยเดิมๆที่มันจะบังคับเราอย่างเงี้ยครัพอจิตเราพอมีสติที่พระอาจารย์สอนนะครับพอเห็นจิตมันวิ่งเข้าไปแตะปุ๊บพอสติมันเกิดปุ๊บมันจะระลึกได้ว่าถ้าเรามีสติปุ๊บเราจะไม่มันจะบังคับเราไม่ได้นะครับคือกิเลสจะครอบเราไม่ได้ครับนะถ้าเรามีสติอยู่เพราะนไม่มีอะไรมากหรอก หานรสภาวะบ่อยๆเรื่อยๆสติอัตโนมัติมันเกิดสติมันเกิดนะจินม่าไม่ไปจับอารมณ์ที่ชั่วครับเจาดีแล้วนี่ก็จริงๆมันก็หวังว่าอยากโดนพระอาจารย์ดุให้จิตมันให้จิตมันกลัวแบ บ, บวันนี้ไม่ดุเ<ล>พราะภาวนาดีขึ้นไม่ดุแล้วอาว น, นาแย่ลงถึงจะดุ แต่บางคนถ้าแย่มากก็ไม่ดูนะครับปล่อยเลยก็พรุ่งนี้ฮะต้องต้องมาอยู่ที่วัดนะครับอืวันนี้ก็เลยมาปรับสภาพจิตให้ไม่ไม่ตื่นวัดนะครับอย่าหวังว่าจะดีครับแต่แรกคิดว่าอ๋อมาอยู่วัดครั้งนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะได้อยู่อีกนานเท่าไหร่ก็ จะเอาแบบเอาให้เต็มที่อุกชกันแต่ก็มานึกนึกขึ้นได้ว่าสงสัยไม่ใช่อีกแล้วไม่ใช่หรอก <c oughs> มันลบ <c oughs> แล้วภาวนาไม่ได้หรอกพอมสมควรแล้วเชิญกลับบ้าน